เรื่องชีวิตเจราายตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยค้อมหน่วยพรฤทธสวัสดิ์พพัฒนมงคลความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่คณะท่านครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณพุท ธ, ธิตลอดทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาลูกๆหลาน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 ทั้งหลายที่ได้มาร่วมในกิจกรรมวันแม่ในวันนี้ขอถือโอกาสกล่าวทำมิกรทาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมแก่ท่านทั้งหลายนันเกเรียนนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์ตลอดทั้งที่น้องร่วมพุทธศาัส า, าสุภาพชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมในงานวันแม่วันนี้เพื่อม่ให้เสียเวลาที่เราได้กาหนดกันไว้ พอวันนี้ไดตสาบข่าวว่าล่านนายอำเภอหรือใครต่อใครจะมามอบของที่ระลึกในวันแม่มอบถังน้ำมอบอะไรต่ออะไรอีกแล้วก็มอบบาลานบาสเกตบอลอะไรพวกเนี้ก็เลยเพื่อไม่เสียเวลาสําหรับอาตมานั้นจะขอถือโอกาสฉันทีหลังแระส่งองเจ้าฉันก่อนทั้งนี้ในขณะที่พระฉันยมจะนั่งรอคอยยกก็ดุกราย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 ซึ่องการดังหลายก็ของเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสถาหลักสถาบันหลักอันหนึ่งของชาตินอกจากชาติและเราก็มีสถานามีพระมหากษัตริย์ซึ่งสามสถาบันนี้จะแยกออกจากกันไม่ได้ก็อยากจะถือโอกาสกล่าวทําวิธีฐานในวันแม่นี้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์ตลอดทั้งผู้เป็นพ่อแม่ของนักเรียนที่ได้มาร่วมในวันนี้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 ซึ่งช่วงนั้นอาามาก็ไปอยู่ต่างประเทศอยู่ก็ไปกลับมาก็ได้รับข่าวยิ่งใหญ่ข่าวหนังหน้าประหับใจสําหรับประเทศไทยคือข่าวพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏของเราปัจจุบันนี้พระนางได้รับอเหรียญเซเลสเซรลนี้จากองค์การเอฟเออ FAO ก็ย่อมาจากคำว่า Food and a g i c u l t e Organization องค์การอาหารและกเกษตรตะกรมโลกก่อนที่จะได้มาซึ่งเรียนเซเรสของ FAO เนี่ยเรามาทำความรู้จักคำว่าเรียนเซเรตหนอ้นเรียนเซเรตนี่ทำด้วยแท่งทองคำทั้งแท่งซึ่งทำเป็นรูปเทพเจ้าคู่หญิง เป็นประวัติของนิทานกรีกโบราณไอ้พวกกรีกนี่นักเรียนนิสิตนักศึกศษาตอนนี้ยังเรียนมัธยมก็คงยังไม่เรียนทั้งปรชัชญาฉันสงส์งว่าปรัชญาของโรกความจเจริญน้องเรียนรืนร่องทางสติปัญญานั้นในนี้เราหรืเรียนวิชาปรชาัชญาฟิโลโซฟี่นี่จะต้องไปเรียนปรัชญาฝรั่งซะก่อนนาะปรัชญาของเราดีๆเราก็ไม่ได้เรียน ในบริญญาฝรั่งนั้นมีสายของกรีกดังที่สุดเป็นตัวบอกโซเครติสอริสโตเตลอนาคโคราสเพโต so อะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นชาวกรีกกรีกเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันเกลียงไกลรุ่งเรืองมากเมื่อก่อนซึ่งอาดามาเองลวงอ่านนี่ก็เคยไปประเทศกรีกเนี่ยเคยไปที่เอเธนไปที่อาจินนาไปอยู่ตั้งสิบห้าวันมีเพื่อนเยอะไปเที่ยวกับเพื่อนสมัยเกาะนู้น เมื่อประมาณพศ2524บ3ี4เคยไปที่กรีซความยิ่งใหญ่ของกรีเนี่เองก็มีประวัติตอันยาวนานแล้วก็มีนิทานปรำปลากันมาเยอะแล้วก็มีนิทานเรื่องหนึ่งของชาวกรีกคื อ, อแม่เซเลสแม่เซเลสนี่ก็เหมือนกับแม่พอส บ้านเราว่าแม่โพศพผู้อำนวยข้าวน้ำโพชนะอาหารบูชาแม่โพศพรูปแม่โพศพเป็นผู้ปกปักรักษาธัญญาหารคือพวกข้าวปลาอาหารที่เราปลูกคนโบราณเราจะปลูกข้าวจะดำนาต้องมีคาถาแม่โพศพพัสพพสะพระโพชนังมหาลาพังสุขังฮอตุแม่โพศพนี้จงนำมาซึ่งลาซึ่งผลแห่งการเพาะปลูกอันยิ่งใหญ่ก่อนที่จะปักจะดำเรียกว่าปักอ ก, กแห่หรือ ก, กกแรกนะ พู้คลีเขาก็มีแม่เซเลสนี่เป็นเทพระเจ้าผู้คุ้มครองความอุดมสมบูรณ์แก่อา ก, กเกษตรกรรมหรือพวกแอกเรคันเชื่อเนี่ยแล้วผู้ใดเอื้ออำนวยประโยชน์สุขแก่มหาชนด้วยการเพาระปลูกหรือวดส่งเสริมศิลปาชีพการเพาะปลูกอย่างได้ผลมีคนเคารพเชื่อถือแล้วครับตา บุคคลนั้นสมควรที่จะได้รับเหรียญเซเลสจาก FAO องค์การอาหารแล ะ, กะเกษตรกรรมของโลกในที่สุดพระนางกจ้าพระบรมราชินีนาของเราพระองค์ไปที่ไหนก็เคียงข้างตามเบื้องอยู่คนบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้า ราชการปัจจุบันของเราพระองค์ทรงเปรียมล้นไปด้วยน้าพระทยัยอันประกอบไปด้วยเมตต า, า, าธรรมนีทศพิรร่าจะทำเตียมเต็มเปรียมในหัวใจเมื่อเป็นเช่นนี้เป็นอย่างไงพระองค์ก็คอยเป็นห่วงความเป็นอยู่สุขทุกข์ของหมูม่มวนอาณาประชาราพระศกในกรนภายใต้เบื้องอยู่คนบาทในขอบเขตกันทศสีมามนตอนของพระองค์ พระ อ, อง์เสด็จไปทุกหย่อมหญ้าทุกประบาดญ้าหญ้าสู่ทางไหนชื่นกรมนคนไถหาใดเหมือนน้ำท่วมไฟไหมถิ่นรุงเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับบ้านเล็กเมือง น, น้อยบ้านใหญ่เมืองโตหุบเขาป่าพงดองดอนไม่ว่าในนครถิ่นใดๆที่พระศกในกองของพระ อ, องค์อยู่พระองค์ท่องเที่ยวไปแม้แต่บนเขาสูงยอดดอยลดขึ้นไปได้ต้องขี่สัตวาหนะขี่ล่อขี่ลา ข, ขึ้นไปการไปของแต่ละ แต่ละครั้งของพระองค์นั้นไปเพื่อปลอกหวั่นเจ็บไข้โดยป่วยนำมารักษาพยาบาลพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาะถก็ไม่ได้ห่างเหินติดตามไปไม่ได้ขาดเมื่อติดตามไปอย่างนี้ก็ได้พบความเป็นเยริของไร่ฟ้าอาณาประชาราชโดยเฉพาะพี่น้องเราชาวอีสานผู้ยากไรเพราะว่าแผ่นดินอีสานของเรานั้นมันแห้งแล้งฝนฟ้าไม่ค่อยจะตก ืตกบ้างไม่ตกบ้างแล้วก็เป็นที่ราบสูงตกแล้วน้ำก็ไหลมีหมดความแห้งแล้งเนี่ยอาภพคับแค้นกันมาหากินฝืดเคืองไม่เหมือนภาคอื่นตั้หนาโปผานราชิเวทมังสุกนนครของเราพระองค์จะต้องเสด็จมาประทับในหน้าแหลงเริ่มเดือนพฤศจิกาเมื่อลมเหนือร่องพื้นดินแย่แตกะแหงพระองค์ก็มาเพื่อจะได้มา ดูว่าตรงไหนเหมาะที่จะทำเขื่อนทำอ่างทำคูทำคลองดำด้วยออกมาเพื่อจะแก้ไขแมนผ้ภัยก็หากหูพ่าผากทั้งอิสานเต้นแผ่นดินกันดานหัวไห้สวนหน้าแหลงน้มขาดเคือนเหยแห้งกสิกรรมการเกษตรเบาอาดลุกลาบใดโดยด่ามเหือแห้งพระองค์ก็เสด็จมาและพระนงางเจ้าพระบร ม, มาราชนินีนาก็เสด็จมาด้วย ทุกครั้งที่มาก็ได้เห็นสภาพอีสานเป็นเช่นนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพยายามที่จะศึกษาข้อมูลพัฒนาแหล่งน้ําพัฒนาที่ดินด้วยน้ำํำพระทัยอันเปี่ยมล้มนด้วยเมตตาต่อพระสงนิกรชาวอีสานผู้ยากไรส่วนพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนบปกว่าพระอมสะเสด็จ ตามรอยเบื้องโยคนบาทเทียงบาทเทียงหลไปดูในที่สุดเจ้นางเจ้าก็เลยมันนึกว่าจะต้องส่งเสริมศิล ป, ปาชีพต่างๆชาวอีสานอย่างบ้านกุดนาขา่ำอำเภอสว่างของเราเนี่ยก็สร้างศูนย์ศิลปาชีพเพื่อฝึกฝนอาชีพขึ้นมาที่บ้านการอำเภอบ้านม่วงที่ในต่อที่ไหนเสร็จแล้วฝีเบิกของชาวอีสานผ้ามัดมีพระนางเจ้าเอาไปนุ่งไปทรงนุ่งใช้ผ้ามัดปีนุ่งทรง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 ปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบพอใจของชาวต่างชาติโดยเฉพาะองค์การเอฟเอโอฟูแอร์แอริคันเชอการ์เซซันเนี่ยผู้นี้ประทับใจผลงานของพระบรมราชนินาของเราเขาคิดว่าถ้าหากโลกนี้มีคนอย่างนี้คอยเอาใจใส่ ย, ยิ่งได้เป็นราชามหากษตร์เป็นราชินีไม่ทอดทิ้งพระสกไปก่อในให้ฟ้าอาณาประชาราชเป็นตัวอย่างสอนการทรรมหากินอย่างนี้ หาได้ยากควรค่าที่จะเป็นพระแม่เจ้าแห่งความกระรุนนาปาณนพระแม่แห่งกเกษตรกรรมเขาคิดแล้วคิดอีกก็เลยพร้อมเพรยียงกันน้อมกล่าวน้อมกะหม่อบถาวายเรียมเซเรสคือเย็ีแท่งทองคำภาพแห่งเทพธิดาผู้ประสิทธิ์ประสาท ค, ความอุ่ดมสมบูรณ แล้วเขาก็บอกว่านี้เป็นพระแม่จาาของโลกทีเดียวนี่ฝรั่งมังค้าองค์การยูโนกับ FAO ร่วมกันยูโนมาจากว่า u n i t e d n a t i o n ่นออแกนิเซชั่นแปลว่าองค์การสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติแม้อาจะมาอ่านข่าวแล้วชื่นใจตอนนั้นอยู่ต่างประเทศนอนตีก็ลำาอยคนเดียวว่าองค์การยูโนฮ่องโ เอฟเอโอทั้งยูโน่เหรียญเซเลสเอฟเอโอทั้งยูโน่น่อมใสเก่าพระนางเจา้าตต่มพระพรด น, นใจเหลือกเกินที่พระนางได้รับเหรียญเซเลสแล้วก็ประกาศว่าเป็นพระแม่ของโรคหลังจากนั้นพวกเราก็ชื่นชมกินดีแล้วก็ถือเอาวันที่สิบสองสิงหาซึ่งเป็นวันพระราชสมภพวันเกิด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 แล้ววันแม่นี้เองที่เราจับ ก, กันยิ่งใหญ่ในวันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับวันเกิดของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาะแต่ความจริงลึกๆ ล, ล, ลงไปกว่านั้นเราจะต้องรู้เองด้วยว่าวันแม่นี้มันเกิดมาจากทางเมืองฝรั่งคือพวกฝรั่งระบบ relation ship ระบบเกี่ยวดองของญาต family ระบบครอบครัว relation ship นี่ไม่เหมือนพวกเรา พ่อฝรังชีวิตเต็มไปด้วยการดิ้นรนยื้อย่งแสวงหาเต่นขึ้นมาต่างคนต่างก็ไปทํางานพ่อแม่มีลูกคลอดออกมาก็เหมือนคลอดออกจากโรงงานเติมไปคลอดที่โรงพยาบากลกระดออกมาก็เข้าไปห้องออกห้องอะไรห้องเช็ดปี้จนปลอดภัยเสร็จเรียบร้อยพ่อก็มันขี่รถมาเยี่ยม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 เมื่อลูกฝรั่งโตมาแล้วเรียนหนังสือจบระดับมหาวิทยาลัยหรือมีงานมีการทำแล้วต่างคนต่างก็ไปมีลูกมีผัวมีเมียแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่ปล่อยให้พ่อแม่ฟิลลิเนตคืออ้างวางเดียวดายอยู่ที่บ้านลูกส0บคนแต่งงานแล้วก็แยกกันปเป็นลยปล่อยพ่อแม่ไว้ที่บ้าน พอแก่เท่าพ่อแม่ก็เข้าไปอยู่ในนิคมคนแก่โลกเตาก็มีไม่ไปไม่สนใจพ่อแม่มีเมาผัวเ ม, เมาเมียลืมพ่อแ ม, ม่เมาอำนาจล้างโลกแหละสลายดังกับแล้วเสแล้วพวกฝรั่งบางคนไม่อยากจะไปอยู่ที่นิคมคนแก่พอใจที่จะอยู่บ้านเก่าบ้านเกย อ, อยู่อู่เคยนอนหมอนเคยหนุ่นเราก็ไม่อยากจะจากไปพวกฝรั่งเหล่านี้ก็อยู่ที่บ้านของตนเอง แล้วปีแล้วปีเล่าคอยวันแล้ววันเล่าลูกเต้าไม่เคยมาเยื่ยมมาเยือนฝลังเหล่านี้ก็ว้าเวงน้อยเหงาเสียแรงที่เลี้ยงลูกเต้าจนใหญ่จนโตมาเสร็จแล้วเขาเกาะหันไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเพื่อเป็นการตอบประเลาประโลมใจในยามเหงาไปไหนมาไหนฝรั่งแก่ๆเหล่านี้มักจะจูงมา้าจูงแมวไปด้วย ดาริงอย่างโ น, น้นดาริงอย่างนี้พูดกับหมากับแมวหรือมันก็โอ้ส oh, วีทฮามอ่ะแป่ห ว, วานใจของฉันที่รักของฉันคุยกับหมากับแมวไม่รู้ว่ามันจะรู้เรื่องหรือเปล่านี่พวกฝรั่งเขาเป็นอย่างนี้ในที่สุดฝรั่งอ้างว้างเข้าเจะจา ก, ก็ขอร้องรัฐบาลว่าให้รัรฐบาลมีงานมีการอะไรให้หยุดกันสักวันหนึ่งเถิดให้ลูกให้เต่ามาเยี่ยมพอ่อยี่อมแม่สักบ้างรัฐบาลก็มองแข่งความสําคัญ ก็เลยหยุดงานเรียกวันนี้ว่าฟาดอ่านมาถึงคือวันพ่อหรือวันแม่ให้ลูกเต่าที่ทำงานทําการในโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นข้าราชการต่างๆจะต้องหยุดงานแล้วก็ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ถึงกระนั้นก็ไม่อยากไปแต่พวกเราไม่อยากนั้นลูกเกิดมากินนมพ่อนมแม่อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่อยู่ตลอดได้รับถ่ายทอดนิสัยใจคอวัฒนธรรมที่ดีที่รับ แต่ถึงกร้นั้นก็ตามเถิะเดี๋ยวนี้เราก็จะเป็นเหมือนฝรัง่งแล้วพ่อแม่สร้าใหม่หมได้ลูกเต่า อ, ออกมาไม่ให้กินนมกลัวมันจะเขียวตกคอนจะได้โอวาฮอนใหม่กลัวมันจะไม่สวยไม่งามแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นการเลี้ยงลูกสมัยใหม่ดีก็เทคโนโลยีมากขึ้นเหมือนฝรั่งจิตใจของลูกเต่าทุกวันนี้ได้แวดล้อมด้วยวิทยาศาสตร์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 พวกฝั่งเขาเรียกป้าป้ามาม่คือพ่อแม่ในน้องชาวจีนก็เหมือนกั น, วนพวกอินเดียพวกแม้แต่พวกอาหลับทางซาอุดิอาราเบียถ้าพูดว่าปาป้ามาม่เนี่ก็รู้จักกันดี ว, ว่าคือพ่อคือแม่อิน e r v i e w ป้าป้ามามาฟี่ฮะ ม, มีพ่อมีแม่ไหมแกก็จะถามยังเหลือไหมไปดีเด็กของเราคนไทยเราเนี่ยพอกอเอกมาหัด ครั้งแรกกอคว่ำความดายกอคานหัดนั่งหัดตั้งไขย่ยืนเดินหัดพูดพอฟันเริ่มมีสองเล่มตามเล่มมาก็เริ่มพูดมามะมามะปาปคือพูดถึงแม่ถึงพ่อนี่แหละก่อเป็นคำแรกเพราะั้นคำว่าแม่เนี่ยมันมีความหมายอย่างลึกซึ้งมากทีเดียวในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าท่านเคยเทศ เคยตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบแปดคุทตกันในกายกับกษัตริย์ชาวชมพูทวีปเมื่อสมัยครั้งสวยพระชาติเป็นดาบทื่อโซนบันเดิตได้ประกาศแกม่มวลกษัตริย์ในชมพูทวีปอยู่ในโซนชาดกนะคุทตกันในกายเล่มที่ยี่สิบแปดคำว่าแม่เนี่ยมีหลายชื่อตามอาการกิริยา ขอให้ลูกหลานทั้งหลายได้มารู้จักกับคำบาแม่กันทีแม่นี้มีคำเรียกในภาษาบาลีคำว่าโทหะริณิแปลวา่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่มีคันนั้นย่อมมีอาการแพ้ท้องและก็ย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในคัน์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 ความเป็นแม่ก็เริ่มรู้สึกขึ้นแม่ได้แบ่งใจจากใจเดียวระหว่างความรักที่มีต่อพ่อกลายมาเป็นความรักชนิดที่ต้องสองเจ็ดสองใจแล้วเรียกว่าโทรหะริณีผู้มีใจสองผู้มีสองใจจะทำอะไรจะเดินจะเหินจะวิ่งจะเต้นโลดแล่นแบบกระไมยังเป็นสาวไม่ได้แล้ว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 มันคัดน้ําขึ้นมาปวดรัวๆก็ถึงเวลาลูกกินนมแม่ก็คิดแล้วบ้านนอกกระบะน่อมแม่หฮาวป่านนี้ลูกสิหิวไปป่าไปเขาแม่เมื่อปวดนมขึ้นมาแม่ก็บอกว่าป่านนี้ลูกคงหิวแล้วหัวใจของแม่ก็อาไลอาวอ์เยือกที่ลูกนั้นเองเป็นห่วงลูกอยู่ตลอดยิ่งกว่าพ่อบัดนี้หัวใจของแม่ได้แบ่งมาสู่ความรักลูกมากกว่าพ่อโดยซ้ําไป เพราะว่าลูกตัวเล็กๆที่เกิดมานั้นยังไม่ละยังไม่เดียงสายังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเนี้ยแม่ก็ต้องเป็นห่วงมากที่สุดเลยเ ป, กก เ, ป เ, เป็นห่วงมากกว่าเป็นห่วงคนอื่นเป็นห่วงมากยิ่งกว่าเป็นห่วงพ่อสะอีนี่เรียกว่าททหะริณีผู้มีใจสอนลูกไปโรงเรียนแม่อยู่ที่บ้านหรือว่าแม่ทำไรํานาอยู่ก็คอยเป็นห่วงว่าป่านนี้ฝนตก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 บางครั้งไปป่าไปเขาได้อาหารที่เคยชอบใจตนเองเคยกินเอาใส่ปากแล้วต้องคลายออกมาเมื่อ น, นึกถึงลกูกว่าโอ้อาหารดีๆนี้ไว้ให้ลูกเราดีกว่าอะไรทำนองเนี้ยนี้แหละจึงมีชื่อว่าโทหะลิณีแปลว่าผู้มีใจซองต่อมาอีกแม่ยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสุหะทาแปลว่าผู้มีใจดีคือมี ใจจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกดีใจจะพบหน้าลูกทั้งใจดีและดีใจลูกจากไปไกลๆถ้าลูกมาแล้วก็ดีใจได้เห็นหน้าลูกลักษณะเช่นนี้แม่มีใจดีและดีใจลูกขี่คอขี่บาดเหยียบหัวปีปากตบหน้าตบหัวขี้ราดยีด้รลด คนแม่ใจดีเสมอไม่ถือโทษไม่เกาะไม่เคืองซึ่งคนอื่นนั้นแม่ยอมไม่ได้คนอื่นจะมาขี่ราดมาเยี่ยรถมาขี่หัวมาเหยียบก้าวอะไรต่างๆพ่อแม่ยอมไม่ได้แต่สําหรับลูกแล้วพ่อแม่ใจดีเสมอแม่จะขี่ราดเยี่ยรถบางครั้งกําลังกินข้าวลูกเล็กๆกําลังส้นๆยอยู่เยี่ยลลงไปในภาข้าวในสำหรับข้าวเลยอย่างเงี้ย พ่อแม่กกับยิ่งรั ก, ก็ัปเอกว่าลูกทำอะไรคำขำอะไรท้องที่แต่คนอื่นไม่ได้ของชาตินี้โด น, น้ากันไม่ได้ละนี้คือที่มีชื่อภาษาบาลีว่าสุหะถาแปลว่าผู้มีใจดีต่อมาอีกก็มีอีกชื่อหนึ่งว่าชะเนตรีชเนตรีหรือว่าชนนีแปลว่า ผู้ให้กำเนิดลูกซึ่งเรานิยมเรียกว่าชนานีคือแม่บังเกิดเก้าผู้ให้กำเนิดนั้นแน่นอนไม่มีใครที่จะให้เราเกิดมาได้เลื่องตาดูโกรกเลี้ยงเราใหญ่ต่อมานอกจากแม่และพ่อพ่อนั้นเราก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณมากแต่เราได้อยู่ในท้องของแม่ น, นานมากอุ้มท้องอยู่แปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนจึงคลอดออกมาไม่ให้เราเกิด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 และเกิดทั้งนิสัยจิตใจเพราะฉะนั้นคนโบราณยังเลี้ยงลูกให้เป็นลูกที่เกิดมาดีรู้จักอบรมลูกอย่างดีงามมากเลยต่อมาก็มีอีกคำนึงว่าโตเซนติแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้ไม่ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมลูกแล้วก็ให้ลูกนอนระหว่างอกระหว่างขัน กก่อดลูกให้ได้รับความอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาภาษาบาลียังชื่อว่าโตเซนติแปลว่าผู้ปลอบโยนตั้งแต่เด็กจนโตแม้แต่โตมาแล้วแม่ก็คอยเป็นห่วงคอยเป็นใหญ่ช่างเอ้อหาบางคนนั้นโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเที่ยวงานบ้านโน้นบ้านนี้มีปีก้าขาแขงบางทีชอบผู้หญิงชอบผู้ชาย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 พ่อแม่ไม่เคยที่จะทอดทิ้งลูกแม้จะลูกสาวตั้งท้องถูกเขาขับไสายไล่ส่งยังไงก็าตามแม่พอไม่สามารถที่จะทอดทิ้งลูกได้จะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือนจะเฉือนจะเชื่อทิอ้งก็ไม่ได้ลูกผิดหวังชอกชำ้ำรั ก, กรรมขมขื่นหมาหมาง ผู้ชายหลอกลวงจนตั้งท้องแล้วก็ขับไล่ใสส่องปล่อยปะละเลยผู้คนเขารังเกียจดูหมิ่นนินทาแต่พ่อแม่ไม่สามารถที่จะใจเจือดใจดำทอดทิ้งลูกสาวของตนได้เหมือนท้องฟ้ายามราตรีการคืนใดดวงจันทร์ไม่มีในท้องฟ้าที่มืดมนอนตรการแต่ยังมีแสงดาวริบหรีริบหรี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 แม้ฟ้ามองเดือนอับแสงวับวาวแต่ดวงดาวก็โชดช่วงในม่านฟ้าเหมือนดวงตาของพ่อของแม่ซึ่งคอยเป็นห่วงลูกอยู่เสมอลูกผู้ชายเมื่อเลี้ยงมาใหญ่โตแล้วหลังจากพ่อแม่ขับกล่อมปละละปลอมเลี้ยงดูมาอย่างดีเปลอบปลอมเมื่อยามร้องให้แส่เปนอนโตมาก็คอยขับกล่อม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 บางครั้งในวันที่เขายัางไม่ยอมอนุญาตให้พบพ่อแม่ก็ไปเกาะลูกกองเยี่ยมลูกอดทนเอนานะลูกนะกรรมเวรของเจ้าเจ้าได้ทำสิ่งไม่ดีไม่งามอดนทนเถอะลูกใช้กรรมใช้เวรเมื่อหมดกรรมหมดเวรก็จะได้กลับมาสู่พ่อสู่แม่นีอะไรแม่ก็ไปหาพ่อก็ไปหาต่างทีต้องขายไร่ขายนาไปจำนองจำนำไปต่อสู้อเอาลูออกมาจากคุกจากตลา คอยปอกเปล้าประโมใจโลกชั่วก้อนโลกเสียก้อนเลือดเจฉิญนจะเชื่อก็ไม่ได้พระพุทธองค์จึงกล่าวว่าโตเซนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนต่อมามีอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าผู้เลี้ยงดูคอยดูแลลกูกด้วยหัวใจอันเป็นห่วงคอยรับขวัญด้วยหัตถัยอันรักสนิทคอยเชื่อเนื้อดูว่าโอ้ ลมจะกรกแดกจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่คอยเป็นห่วงลูกเสมอเสียงลูกร้องให้จา้าเหมือนหัวใจของแม่จะแตกสลายทำอะไรโยกก็เหลืมสนิท ต, ต้องวิ่งไปหาลูกเหมือนคมดาบเสียบตรึงไว้กลางดวงใจเมื่อได้ยินเสียงลูกร้องให้หัวใจแม่แทบจะขาดรอนนี้แหละที่พระองค์กล่าวว่าโอเสีตรี ผู้เรียงดูทั้งทางกายและทางใจคาว่าแม่จะมีความหมายมากขอสรุปให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาโลกรลานตั้งหลายได้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าคาว่าแม่นั้นมีความหมายหลายทางในกิริยาอาการของแม่โฮหะฤณิแปลว่าผู้มีใจสองมีรักจากพ่อและต้องลา ม, มาโสโลูลูกก่อนจะหลับจะนอนจะกินจะโย่ต้องมีใจสอและลึกตังตนเองและลูกสมา สุหะหาผู้มีเกีติดีต่อลูกแก่ขี้ราชเยี่ยลด์ยังไงพ่อแม่ก็ให้อภัยชะเนตรีผู้ให้กำเนิดแก่ลูกชนะยันตรีผู้ยังให้ลูกนี้เกิดมาทั้งทางกายและทางจิตโตเสนตรีแปลว่าผู้ปลอบโยนจะทุกข์แก่ยากมาเถิดลูกเอ๋ยมาเช็ดน้ำตาในตักของแม่เมื่อเจ้าโตแล้วผิดหวังชอบจำ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 ลูกไปติดคุกติดตารางเพราะความชั่วที่ลูกทาพ่อแม่เป็นไข่จะสิ้นใจลูกคนโน้นคนนี้มาแล้วแต่ลูกคนอยู่ตารางยังไม่มา พ, มพมร่ำคร่าครวญรียกร้องหาลูกมาหรือยังมาหรือยังลูกไม่มาน้ําตาอุ่นๆไหลเยื่มออกมาข้างๆแก้มร้องไห้คิดถึงลูกคนนั้นยังไม่มาในที่สุดพ่อแม่สิ้นใจ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 ถ้าหาลูกมาพร้อมเพียงเรียงหน้ากันข้อแม่ได้สั่งได้เสียลูกคนนู้นคนนี้เสร็จเรียบร้อยแบ่งทรัพย์สินมรดกพ่อแม่ก็หลับตาตายอย่างสนิทใจเพราะสบายใจได้เลี้ยงลูกถึงที่สุดคิดดูเถิดน้ําใจใครเล่าจะเปิดเสิดยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่ของเราอันนี้เรามาว่ากันจากแม่ทีนี้เราก็มาว่ากันถึงลูกสีนี้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 เลวกว่าพ่อกว่าแม่กว่าตระกูลพ่อแม่เคยมั่งมีศีรษะขณะนี้แต่ลูกคนนี้กลับจนกรอบยอดแยบแทบกินเกลือเอาทรัพสมบัติมรดกพ่อแม่ให้ไปทันลุงไปชดไปใช้ไปจำนองไปเล่นการพนันหมดอย่างนี้เรียกว่าลูกที่เลวกว่าพ่อกว่าแม่พ่อแม่ได้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นคนรูเป็นทหารเป็นตำรวจรับราชการมียศสาาักอาคาร์ทแต่ลูกเรียนจบแล้วไม่มีงานการทำ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 บุตรที่เชื่อฟังนั้นอย่างไรเรียกว่าบุตรประเสริฐเราอาจจะเป็นลูกที<ร>่เก <JR> ่งกว่าพ่อกว่าแม่เดี๋ยวนี้พ่อแม่เราเป็นชาวไร่ชาวนาหลังสู้ฟ้านหน้าสู้ดินดำไร่ดำนาหาเงินมาส่งให้ลูกเรียนและลูกกำลังเรียนอยู่มศสามศสหรือเรียนวิทยาลัายมหาวิทยาลัยลูกอาจจะจบปริญญาแต่พ่อแม่ก็เป็นชาวนานหน้าดำดำลูกจบปริญญานั้นไม่ได้หมายถึงลูกที่ประเสริฐกว่าพ่อกว่าแม่ อาจจะไม่เชื่อฝั่งพ่อแม่อาจจะทำให้พ่อแม่ต้องร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอาจจะทำให้พ่อแม่เล่าร้อนใจเหมือนตกนรกหลุมนี้เรียกว่านรกหลุมปุตตะพ่อลูกทำให้เดือดร้อนใจลูกจบปริญญามาบังคับพ่อแม่ให้ซักผ้าให้อะไรจากหนองนี้แหละหาว่าได้เรียนจบปริญญาให้พ่อแม่มีหน้ามีตาแล้วยังไม่รู้จักบุญคุณลูกอีกเลยทำหนองนี้ ก็ไม่ได้เชือว่าลูกที่ประเสริฐพ่อแม่นั้นประเสริฐกว่าลูกเสมอเพราะได้เลี้ยงดูมาลูกจบปริญญาพ่อแม่อ่านหนังสือไม่ได้แต่ลูกคนนั้นไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังพระสององค์เจ้าเป็นคนมุทะลุเอาแต่ใจไม่เชื่อฟังใครมีทิฐิมานะว่าข้าได้มีความรู้ความสามารถสูงรับติดชอบตนเองได้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 แต่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เชื่อฟังศีลฟังธรรมไม่เชื่อฟังพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เชื่อฟังพระพุทธประธรรมไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ดําเนินชีวิตไปในทางที่ผิดก็จะประเสริฐได้อย่างไรเล่าเพราะฉะนั้นผู้ไจ้าจจึงบอกว่าบุตรที่ประเสริฐนั้นคือบุตรที่เชื่อฟังนักเรียนนิสิตนักศึกษาโลูกหลานทั้งหลายวันนี้จะขอเล่าลูกตัวอย่างให้ฟังลูกที่เชื่อฟังกับลูกที่ไม่เชื่อฟังมันจะประเสริฐผิดกันตรงไหน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 เราควรจะออกไปนอกกำแพงเมืองเพื่อเราจะได้เห็นว่าบ้านนอกที่เป็นชนนบทข้างนอกโน้นเขาอยู่กันอย่างไรเราจะได้หาทางช่วยเหลือเจอจุนถ้าหากมีอะไรขาดตกบกพ้องนี่เป็นความดีของเจ้าฟ้าชายองนี้ก็เลยเขียร่ราชรถพร้อมทั้งอำมาตผ่านมาที่กองขยะหูก็แว่วได้ยินเสียงเด็กร้องก็เลยบอกอมาตลองดสูสินั่นเสียงอะไรเมื่อเสียงเด็กอมาตก็หยดดุดรถ แล้ก็ได้ยินเสียงเด็กร้องเพราะมัเสียงกาและเสียงหมากำลังไล่ตีไล่จิกกันไล่กากากันเสร็จแล้วอาภัยราชโกมันก็เลยบอกว่าไปดูสิแต่มันชิงอะไรตรงที่หมาและกากํำลังปัดกันอย่างนั้นอามากก็เดินเข้าไปผ่านกองขยะอันสกรปรกอันเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นอย่างน่าสย้นสุดชาพาันก็ได้เห็นเด็กตัวเล็กๆดินกระเดวกระเดวอยู่ในกระจาด ในขณะเดียวกันนั้นเองอมาม่าก็ร้องตะกรอนบอกว่าเด็กพเคฆ า, าเด็กตัวแดงๆอยู่ในกระจานี้เจ้าฟ้าชายอาภัยราชได้ยินดังนั้นก็โดดลงจากราชรถส่งอันวิจิตรวิ่งเหยียบไปบนกองปฏิกูลอันสปกปรกโสโครกและส่งกลิ่นเหม็นเต็มที่ทั้งไปเห็นเด็กตัวน้นอยดิ้นกระเดากระเดาก็เลยบอกอมาม่าว่านี่ เป็นบุญของเราเอาขึ้นมาอา ม, มาก็เอากระจาดขึ้นมาความจริงอา ม, มานั้นแกไม่อยากจับพรามันสกปรกอภัยราชกุ ม, มารได้เอาผ้าหักของอภัยราชกุ ม, มารเนี่ยได้เอามือช้อนลงไปในตะกร้าจับขึ้นมาอุ้มดูแล้วก็บอกอา ม, มาช่วยกันปัดมดออกสิเห็นไหมเป็นขุมๆเต็มไปหมดตามต า, มตามโอ้โลูกไข่น้อช่างใจร้ายเหลือเกินน่ารักน่าชังออก ดูสิเป็นผู้ชายด้วยเอาเถอะช่วยกันปัดอมัดออกเราเอาไปเลี้ยงดีกว่าแม้แต่ต้นไม้ในป่าเขาก็ยังเอาไปปลูกซัดในป่าเขายัางเอาไปเลี้ยงเราจะเลี้ยงคนสักคนจะไม่ดีหรือจะไม่มีประโยชน์บ้างหนระือไปเถอะอามาดช่วยกันพร้อมกันนั้นเด็กคนนี้ขณะที่ร้องไห้ดิ้นไปดิ้นมาฉับพลันนั่นเอง พระเนตตาของอภัยราชก็ได้เหลือเห็นรอยประหลาดอยู่ใต้คางของเด็กคนนั้นบอกอมาดดูสิเด็กคนนี้มีรอยปานแดงๆอยู่ใต้คางดูดูดูดนี่รูปอสรพิษร้ายแผ่พัง่านรูปงูจองอางอยู่ใต้คาง เ, เด็กคนนี้ช่างประหลาดแท้ดีนะเรามาทันก่อนยังไม่ตายจากวันนั้นมาอาภัยราชก็ได้ลูกน้อยเลี้ยงอยู่ในราชวัง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 ข้างาพอระบรมมหาราชฑ์วังข้างปราสาทของอภัยราชเมอมองไปทางดวงอาทิตย์ที่มันตกเหมือนกับคนไม่มีชีวิตจิตใจความก็นั้นอภัยราชคอยเป็นห่วงว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมชีวกไม่มาหาพ่อในตอนเย็นก็เดินไปโดลงไปจากปราสาทไปเห็นชีวกนั่งเบื่ออยู่คนเดียวย่องเข้าไปไปเห็นเด็กชายชีวก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 ตั้งแต่ลูกเข้าโรงเรียนจนป่านนี้ทุกวันลูกจะได้เห็นว่าไอเด็กจันทานมึงนะั้ไม่มีพ่อมีแม่เกิดอยู่ในกองข้าจักมึงยังมาอยู่ในพระบรมราชวังเนี่ยเหมือนกองปฏิกูลอันสกปกไปอยู่บนกองดอกไม้บุปผาชาติอันหอมกรุ่นนานแล้วไม่ใช่ครั้งหนึ่งครั้งเดียววันนี้หม่อมฉันอยากทราบเลยเกิดว่า ทำไมเป็นเช่นนั้นสเสด็จพ่อและเจ้าเอาไผราชก้มลงจับมือของชีวกจูงขึ้นไปบนปร า, าสาทบอกชีวกลูกหลักจริงสินะเป็นความผิดของพ่อที่ไม่ได้บอกกับเจ้าพอคิดแล้วว่าวันหนึ่งเจ้าจะต้องพอเพราะเหตุการ์อย่างนี้แลจะเจ้าจะต้องคิดอย่างนี้อาไผราชไม่ยอมเข้าไปนั่งกายอ่าชีวกไม่ยอมเข้าไปนั่งกาย ถอยห่างออกมาแต่ว่าพระเจ้าอภัยลาก็ไปกอดชีวกให้มานั่งในตังชีวกรูปพออย่าได้ถามหาแม่ของเจ้าเลยพ่อของเจ้าเลยพ่อก็ไม่สามารถจะตอบได้สเสด็จพ่อโปรดได้เล่าความจริงให้ม่อมชั้นฟังเถอะแล้วอภัยรากก็ลองฟังบ้างพ่อได้ไปพบเจ้าที่กองขยะระหว่าง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 พ่อไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่จ้าที่แท้จริงลืมเธอดชีบกพ่อนี้แหละคือพ่อของเจ้าได้เลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่เล็กจนโตปันชีบกก้มลงการาบและบอกว่าเสด็จพ่อหม่อมฉันอยากรู้เหลือเกินว่ากาตัวไหนหมาตัวใดเป็นแม่เป็นพ่อของหม่อมฉันโอ้ฉันไปเปิดเหลือเกินชีบกลูกพ่อ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 จะถูกเขายิงเขาฆ่าโอ้ชีวกลูกพอ่อประเสริฐนักน้ำใจของเจ้าแต่ลูกเอ้ยไม่มีกาไม่มีหมาที่ไหนในโลกเนี้จะออกลูกมาเป็นคนกาก็จําออกลูกเป็นกาหมาก็จาออกลูกเป็นหมาแต่ชีวกพ่อจำได้เมื่อพ่อเอาเจ้ามาเลี้ยงอำหมาเคยบอกกับพ่อว่าลูกกาบอก ซึ่งแม่มันไข่ทิ้งไข่เรียไข่รา่ากาเป็นผู้ฟักจเจริญเติบโตมาเมื่อปีก้าขาแข็งแล้วกาเวาก็เริ่มเหม็นสาบแม่กาแล้วก็ปีก้าขาแข็งบินหนีจากแม่กาฉันใดไม่ใช่ลูกของเราเอามาเลี้ยงเมื่อจเจริญไว้ใหญ่ป้าปีก้าขาแข็งขาวก็จะจากเราไปไม่วันใดก็วันหนึ่งช่างเถอดชีบกุกพ่อไม่คิด เจ้าจะไปไหนก็ตามพ่อเลี้ยงเจ้าจเจริญเติบต่อมาแล้วพ่อเขาบอกเจ้าว่าคนดีนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะเป็นที่รักที่เคารพของคนอื่นทั่วไปชีวกเจ้าเห็นดอกบัวไหมที่หิ่งบูชาของเราชีวกบอกว่าเห็นพระเจ้าข้อภัยราชถามต่อไปว่าชีวกเจ้ารู้ไหมว่าดอกบัวนั้นเกิดมาจากไหนชีวกกล่าวว่าเสด็จพ่อ ดอกบัวนั้นเกิดที่หิ้งบูชาชีวกรูปพอ่อลูกนั้นอย่างไร้เดียงสาลูกเจริญเติบโตขึ้นมาในพระบรมมหาราชวังไม่เคยไปทุ่งไปท่าไปป่าไปเขาอันที่จริงแล้วดอกบัวนี้ไม่ได้เกิดอยู่ในหิ้งบูชามันเกิดมาจากตมจากโคลนอันสกปรกสมม อ, อยู่ในน้ำคำอันสกปรกแต่ว่า ความบริสุทธิ์เมื่อมันพ้นจากเปลือกตมคอนอันสกรปรกเบ่งบานรับอรุณ์ในยามเช้าส่งกลิ่นขจรขาจายไปในทิศทั้งสี่เป็นที่ปาธนาของโบมวลพระมอนผู้พึ่งบินมาเชยชมเกสรแห่งดอกบัวกลีบและสีอันสวยสดงดงามเยี่ยมบานไม่สกรปรกกับความปฏิกูลของเปลือกตมคอนอีกเมื่อมันพ้นแล้ว ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันลูกหลังเมื่อเราเกิดขึ้นมาเราเลือกไม่ได้จะเป็นลูกเศรษฐีคือฮับอดีหรือคนจนที่ยากไร้ข้างตนนหรือคนขอทานแต่ว่าชีวิตของเราเมื่อเป็นชีวิตที่สมบูรณ์นั้นยอมมีประโยชน์แก่สังคมทำตัวให้ดีให้งามเป็นที่เพิ่งพาอาศัยแก่คนอื่นไม่ก่กอกรรมทาเข็นก่อเวรสร้างกรรมเผาโรคให้เล่าร้อน สร้างแต่คุณงามความดีให้แก่ตนเองช่วยเหลือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายได้มากเท่าไหร่ชีวิตก็ย่อมมีค่าเขาจะไม่ถามหาชาติตระโกลเขาจะเรียกร้องหาแต่คุณงามความดีเหมือนดอกบัวที่พ้นจากน้ําไม่มีใครสนใจถึงความสกรปรกของมันเขาปรารถนาแต่ความสะอาดและความบริสุทธิ์แม้หมู่พระมอนผู้พึ่งอยู่แสนไก่นับร้อยโยอด ยังโบกบินมาคล้อยๆเกลือกกล้วยวคนชีพวกรูปพอ่อจงทำตัวให้เป็นคนดีจักไม่มีใครเรียกร้องและถามหาว่าเจ้าเป็นลูกของใครความดีนั้นแหละจะกลอบเกินลบให้สูนจากความชั่วท่างปวงเถอะชีพวกรูปพอชีวิตเลือกเกิดไม่ได้แต่ชีวิตสามารถที่จะสร้างจะทำคุณงามความดี ที่เต็มไวในชีวิตได้ทุกเมื่อทุกสถานที่ขอให้ลูกจงจําไว้ชีวประครองอันเชอรีกราบนะมามครับสเสด็จพ่อหม่อมฉันจะจําไว้และจะเชื่อฟังไว้ในหัวใจจะประพฤติปฏิบัติตามที่สเสด็จพ่อได้พระสอนจากวันนั้นเป็นต้นมาชีวละลึกถึงดอกบัวว่าเอาเถอะชีวิตของเราเนี้ยเพื่อรบ รบรอยร้าวคลาบน้ำตาแห่งความอนาถอนาถาแห่งชีวิตฉันจะลบมันให้สูญ ว, วันหนึ่งเัิดจากนั้นชีวก็เริ่มคิดเมื่อลมเหนือล่องแผน่นผืนดินแยกแตกระแหงแล้วชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวปลาขึ้นสู่บ้านแล้วเสียงออดแอกและกระดิ่งของกุยเยนก็กังวานแววมาตามสายลมพ่อค้าวา น, นิจจากต่างเมือง ก็นำสินค้าของตนเองออกไปเที่ยวเร่เ ข, ขายอย่างเมืองต่างๆในสมัยนั้นบ้านเมืองยังไม่เจริญไม่มีเส้นทางค ม, มนาคมไม่มีรถเสร็จล้อมีถนนซุปเปอร์ไฮเวิร์ราดอย่างแอฟวันอย่างพวกวัดนี้พ่อค้าวานิเทียร่ำรวยต้องค้าขายด้วยเกวียนอย่างร้อยเล่มห้าร้อยเล่มก่อนที่จะมาขายในเมืองใดต้องจอดนอกกำแพงพร้อมอัดนั้น จะต้องนำของที่จะนำมาขายนั้นมาเป็นเครื่องราชบรรณาการถาวายแก่พระเจ้าแผ่นดินเมืองนั้นนั้นเพื่อจะได้เปิดประตูเมืองเข้ามาค้าขายอย่างสะดวกทั้งหมดนั้นก็คือพาสีขาเข้าอย่างทุกวันนี้นั่นเองในเวลาลมเหนือล่องแล้วม่านฟ้าแจ่มใสแผ่นดินแยกแตกแหลงชาวไร่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าป่าพ่อค้ากีนจากต่างเมืองก็มาถึง วันแล้ววันเล่าพ่อค้าเหล่านั้นก็นําเครื่องบรรณาการมายังพระบรมมหาราชวังชีวกได้เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหาคุณงามความดีใส่ชีวิตใส่ตัวเราการที่พระเจ้าโยหัวได้เรียงเรามาขนาดนี้นับเป็นบนเอาเถิดวันหนึ่งเราจะต้องตอบแทนบุญคุณอันมหาศาลนี้ให้จงได้ถ้าหากชีวิตนี้อยกไม่ตายจากไปวันนั้น